อาชา ว, วันนี้นะเป็นเช้าที่สําคัญมากนะสําหรับสามเณรพ่อะไรนะเพราะเป็นเชา้าวันแรกที่เราได้ออกไปเดินบินธบาตเชื่อว่าส่วนใหญ่นี่ไม่เคยนะไม่เคยเดินออกบินธบาตเลยเพราะฉะนั้นเชา้าวันแรกแบบนี้เนี่ยก็ขอให้เราระลึกนึกถึงเอาไว้จดจำเอาไว้นะว่าเราได้ ออกปิณธบาตเช้านี้ในธนสัมมนเนินะหรือว่าใ น, ในธนะของทายาทศาสนาและอาหารที่เราได้เนี่ยขอให้สั ม, มนเนินได้ระลึกว่ามันเป็นอาหารที่เราได้มาด้วยน้าพักน้ําแรงของเรานะก่อนหน้านี้เนี่ยอาหาร ที่เรากินนี่นะส่วนใหญ่ก็เพราะเมตตากรุณาของพ่อแม่พ่อแม่หามาให้บางทีก็ปู่ย่าตายายก็ทําให้กินแต่ว่ามื้อเนี่ยมื้อเช้าเนี่ยเช้านี้เนี่ยมันจะเป็นมื้อแรกที่เราได้กินอาหารที่ได้มาจากน้ําพักน้ําแรงของเราควรที่จะ ภาพภูมิใจแล้วก็จดจำเอาไว้ที่จริงแล้วเนี่ยอาหารที่เราได้มาวันนี้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอาหารมินทบายก็ดีหรืออาหารที่เราจะตักในเช้านี้ก็ดีมันก็เกิดจากอานิสงนะอนิสงก็หมายถึงผลของผ้าเหลืองงั้นถ้าเราไม่ได้นุ่งผ้าเหลืองห่ผมผ้าเหลืองเนี่ยนะ ก็คงไม่มีใครมาใส่บาตรให้เราแม้เราจะถือบาตรไปแต่ก็มีชาวบ้านนะใส่อาหารให้เราแต่ทันทีที่เราหมเหลืง้งผมจีวร น, นะชาวบ้านก็เกิดศรัทธานะถวายอาหารให้เราเลยเรียกว่าถวายนะเพราะไม่ไม่เรียกว่าให้ ตอนเราเป็นเด็กนี่อาจจะมีคนให้อาหารเราแต่พอเราเป็นเนนี่ไม่ได้ให้แล้วเขาถวายนะเาถวายให้เพราะอา น, นิสงของผ้าเหลืองคือจีวรซึ่งเป็นเสมือนธงชัยของพระาอารหันตะ์แล้วก็เพียงเพราะเราผมจีวรนเนี่ยนะชาว บ, บ้านก็เลยเกิดศรัทธา แต่ว่าถึงแม้เขาจะถวายอาหารให้เราเพราะศรัทธาในผ้าเหลืองเราก็ควรจะทําตัวให้ควรค่ากับผ้าเหลืองนะทำตัวให้คู่ควรกับผ้าเหลืองทําตัวให้คู่ครอนให้คู่ควรกับธงชัยพระอารหรันต์ ทำยังไงนะก็ก็คือรักษาศีลให้ดีศีล ส, สิบที่เราสมาทานี่ก็ขอให้รักษาให้ดีแล้วก็พฤตัวให้เรียบร้อยนะบางข้อเนี่ยมันก็ไม่อยู่ในศีลสิบนะแต่เราก็ต้องปฏิบัติเช่นจะไปไหนเราก็ไม่วิ่งนะเวลาจะฉันน้ำ หรือว่าชั้นขนมเราก็นั่งฉันไม่ใช่ยืนเหมือนเมื่อก่อนรวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบของวัดและมีความเอื้อเฟื้อต่อหมู่คณะถ้าเราทำตัวให้คู่ควรกับผ้าเหลืองก็ถือว่าอาหารที่เราได้รับเนี่ยมันเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของเราจริงๆชาวบ้านเขาจะไม่ได้ ศรัทธาแค่ผ้าเหลืองแต่เขาศรัทธาในการกระทำของเราในความดีของเราด้วยพวกเราคงเห็นแล้วนะว่าชาวบ้านเนี่ยที่จริงไม่ใช่ชาวบ้านอย่างเดียวนะโยมพ่อโยนแม่ปู่ย่าตายายนี่ ท, ทันทีที่เราหอมผ้าเหลืองนี่เขาไหว้เราเลยนะแต่ก่อนนี่เราไหว้เรากราบพ่อแม่กราบปู่ย่าตายายแต่ ท, ทันทีที่เราบวชหอมผ้าเหลืองเสร็จ ท่านเหล่านั้นเขาไหว้เราเลย <c oughs> บางคนก็ถึงกับกราบเลยลเพราะนี้เราก็ต้องทําตัวให้ดีสมกับที่ท่านเนี่ยเคารพแล้วก็กราบไหว้เราทําตัวให้คู่ควรกับอาหารที่ชาวบ้านถวายให้กับเราด้วยศรัทธาและสิ่งหนึ่งที่เรา ก็ควรจะใส่ใจคือเวลาเราฉันอาหารเนี่ยให้ฉันด้วยอาการสงบสํารวมนะแต่ก่อนเรากินอาหารเราก็อากินไปคุยไปหรือบางทีก็กินไปก็ดูโทรศัพท์มือถือไปนะกินไปด้วยเล่นเกมไปด้วยนะ หรือบางทีอาหารไม่อร่อยก็บ่นนะว่าไม่อร่อยเลยนะเราจะบ่นใส่พ่อใส่แม่ที่ทำอาหารให้เราแต่ว่าอยู่ที่นี่นี่เราจะไม่บน่นละเราจะไม่เลือกกินนะเราจะฉันเฉพาะสิ่งที่มีคนถวายให้เราจะไม่ไปซื้อที่ร้านค้าเหมือนเมื่อก่อน จะไม่ไปเรียกร้องให้คนตื้ น, น้ำอารมณ์ให้เรากินไม่ทำอย่างนั้นแล้วช้านี้เป็นวันแรกที่เราจะได้เรียนรู้การขบฉันอย่างสำรวมนะสงบไม่พูดไม่คุยด้วยความรู้สึก ข, ขอบคุณผู้ที่ถวายอาหารให้เราแล้วดยสำนึกว่าเราจะปฏิบัติตัวให้ดีงามสมกับที่ชาวบ้านเขาศรัทธา ถวายอาหารให้เราแล้วก็ไหว้เราก่อนจะฉันเนี่ยนะจะมีธรรมเนียมแบบหนึ่งนะที่สามเนร น, นะจะต้องทราบเอาไว้คือจะมีการสวดปฏิสังขายโยนี่เรียกแบบชาวบ้านคือพิจารณาอาหารพิจารณาอาหารนี่เป็นภาษาบาลีสวดเป็นภาษาบาลีแต่ว่าความหมายคือว่าเราจะไม่ได้กินอาหารเพื่อความเมตตอร่อย เพื่อความสนุกสนานตามใจปากหรือเพื่อความเท่เพื่อรูปร่างหน้าตานะแต่เพื่อลดความหิวบรรเทาทุกขเวทนาจากความหิวเราจะฉันนะเพื่อให้ชีวิตยอยู่ได้และจะมีคำหนึ่งว่าเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์นะ อนุข้าวกับการประพฤติพรหมจรรย์นะและเพื่อให้เราเนี่ยสามารถจะดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขนะงั้นถ้าเราเระลึกตรงนี้อยู่เสมอเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้ว่าเราควรจะกินอะไรงั้นถ้าเรากินเพื่ความสนุกสนานกินเพื่อความ็นอร่อยเนี่ยเราจะกินแต่ของที่ชอบโดยเพราะอาหารที่เขาเรียกว่าอาหารขยะ ขนมกรุบกรอบข อ, องหวานแต่ถ้าเรารู้ว่าเรากินเนี่ยไม่ใช่เพื่อความเป็นเิศอร่อยเพื่อให้สุขภาพดีเราจะกินอย่างอื่นมากกว่านะเช่นชั้นผักให้มากขึ้นชันหวานให้น้อยลงนะนี่เรากินอะไรนะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะไม่ดื่มเหล้าเมาสุรากินอะไรแล้วก็ต้องรู้ว่ากินเท่าไหร่ อร่อยแค่ไหนก็ไม่ได้กินจนกระทั่งจุกนะกินมากๆนี่ก็ทําให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่นี่จํานวนมากนี่อ้วนเลยนะน้ำหนักเกินเด็กๆก็เป็นกันเยอะมากขึ้น1ใน5 1ใน4เนี่ยน้ำหนักเกินเพราะกินเยอะกินมากกินเกินความจําเป็นนี่เรียกว่าไม่รู้ว่กินเท่าไหร่ แล้วรู้ว่ากินอะไรหรือควรกินอะไรรู้ว่าควรกินอะไรรู้ว่าควรกินเท่าไหร่แล้วก็ต้องรู้ว่าควรกินอย่างไรกินอย่างสงบสํารวมกินอย่างมีสตินะไม่ปล่อยใจลอยฟุ้งซ่านใจอยู่กับการกินตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นจำาไว้เลยนะถ้าเราจะเป็นสา ม, มัญณที่เรียกว่าเป็นชิโนรสโอรสของพระพุทธเจ้าเนี่ย หรือบุของพูกจ้าเนี่ยก็ต้องฉันยังมีสติตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทำไรทำทีละ อ, อย่างเวลาฉันก็ฉันด้วยใจเต็มร้อยไม่ต้องไปนึกอย่างอื่นนะแล้วก็ถ้ามีโทรศรัพท์อยู่ใกล้มือเวลาเป็นคาราวาสก็ปิดโทรศรัพท์ซะพอดูไปดูโทรศรัพท์ไปฉันไปนี่เราทำสองอย่างพร้อมกันไม่ดีมันจะทาให้ฉันยังไม่มีสติ แล้วเร้ฝึกจิตฝึกใจนะเห็นความอยากอาหารบางอย่างมันอร่อยแล้วก็ฉันมุมามาอันนี้ก็ไม่ดีฉันอย่างสํารวมที่จริงมีสติตั้งแต่ตอนไปตักอาหารแล้วนะเดี๋ยวเราไปตักอาหารเนี่ยเราต้องเข้าคิวบางคนที่อยู่ข้างหลังก็อาจจะรู้สึกํำคาญเพราะทำอะไรชอบทำเร็วๆคอยไม่เป็นเวลา คอยรอตักอาหารเนี่ยก็จะหงุดหงิดรำคาญเพื่อนว่าทำไมตักช้านะอ่านี่ก็ต้องอดกัน้นอารมณ์าไว้ส่วนคนที่ตักก่อนก็อย่าตักแต่เฉพาะของที่ชอบแต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพใอ้ของที่ไม่ชอบแต่มีคุณค่าก็ต้องตักด้วยนะแล้วก็ต้องนึกถึงเพื่อนที่อยู่ข้างหลัง แล้วก็ญาติโยมแม่ชีด้วยนะว่ามีคนข้างหลังเราเราอยู่ไม่ใช่ว่าเราชอบอะไรแล้วก็ตักนะโดยที่ไม่คํานึงถึงคนอื่นนะเสร็จแล้วก็เหลือฉันไม่หมดนะอันนี้ก็ต้องรู้จักนะรู้ทันกิเลสความอยากของตัวด้วยนะอันนี้เราคือการฝึกนะที่ให้ทําให้เราเนี่ยมีคุณค่าเหมาะกับหรือคู่ควรกับ การเป็นสา ม, มเญณคู่ควรกับพระเหลืองแล้วก็จะทําให้ชาวบ้านเนี่ยเวลาเขาถวายอาหารเนี่ยเขาถวายด้วยความศรัทธาไม่ใช่ศรัทธาเฉพาะพระเหลืองแต่ศรัทธาในคุณงามความดีของเราแม้จะเป็นเด็กน้อยแต่ผู้ใหญ่ก็ศรัทธาได้ถ้าเรามีความดีนะและถึงตอนนั้นแหละเนี่ยเราจะภูมิใจว่าเนี่ยอาหารที่เราได้มานี่มันได้มาด้วยน้าพักน้ําแรงของเราจริงๆ นะน้ำพันน้ำแรงนี่ไม่ใช่หมายถึงแรงกายอย่างเดียวนะแต่หมายถึงคุณงามความดีนะที่ทําให้เราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจนะและทําให้การเป็นนักบวชของเรานะมันมีความหมายอย่างแท้จริงไม่ใช่มาบวชเล่นๆแต่ว่ามาบวชเรียนมาบวชปฏิบัติทํางนี้ได้เนี่ยนะแม้แต่พระบางทีก็ต้องเคารพนะเพราะพระบางรูปเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ย ก็สู้สามเณรที่ตั้งใจปฏิบัติไม่ได้ในสายพุทธการนี้ก็มีสามเณรที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มากมายแม้แต่พระที่อายุมากกว่าก็ต้องเคารพนับถือเป็นอาจารย์ก็มีนะเพราะว่าเรานับถือกันที่ความดีนะคุณธรรมไม่ใช่ที่อายุไม่ใช่ที่เพศนะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายหรือว่าเพศสามณรไม่ใช่ที่ตรงนั้นนะอยู่ที่ฮะเพศสมเณรคือเพศพระนะเราตอนนี้เราอยู่ ส ม, มนาคือสมณเ น, นั่นแหละนะความหมายเดียวกันใกล้เคียงกัน